มีเงินก็มีชั่วคราวนะต่อไปยิ่งลำบากขึ้นทุกทีทุกทีตอนหลวงพ่อเด็กๆนะเคยได้ยินเห็นคนเฒ่าคนแก่รับราชการบอกเดี๋ยวแก่แล้วสบายมีบานาญกินเลยโอ้บนานาญไม่พอจะกินของแพงรวดเร็วเหลือเกินนะตอนเรารับราชการใหม่ๆนะหลวงพ่อเงินเดือนทันเจ็ด้อยห้าสิบาทเราเห็นระดับประลัดกระทรวงเขาก็เสียนนะก็ได้ตั้งหมื่นกว่าบาทนยะ เรารู้สึกโอ้จะใช้ยังไงหมดว่าถ้าพวกเกษียณแล้วยี่สิบปีสาสิบปีไม่ตายเนี่ยนะโอ้ลาบากคงตายอะ่ะเพราะอดตายลําบากบางคนก็เก็บเงินไว้นะสะสมเงินไว้เอาไปฝากแบงก์กากินดอกเบีย้ยแต่ก่อนดอกเบีย้ยมันเยอะพอกินตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้ดอกเบีย้ยไม่ค่อยจะมีเงินต้นก็อาจจะหมดก็ได้เนี่ยเราเอา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 ต่อไปข้างหน้านะชีวิตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่างน้อยใจต้องไม่ทุกข์ให้ได้ในทางร่างกายนะั่นอยู่ไปด้วยความพอเพียงมันก็อยู่ได้แต่ในทางจิตใจเนี่ยต้องหัดภาวนาจเจริญสติไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปจนเราเห็นความจริงของชีวิตคนเห็นความจริงของชีวิตแล้วไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ทุกข์มากรก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 พ่อต้องไปตั้งแต่มืดเลยไปศาลาหลุงชินอ่ะกล่าวน้ำส ก, กาดหลวงพ่อค่ะก็เห็นกิเลสเกิดขึ้นมากมายอะค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ายังติดเพ่งหรือเปล่ามีนิดหน่อยน ะ, ะของเก่าที่ฝึกมันฝึกเพ่งไหมงั้นเราปล่อยไปเยอะลนะนเหลือเพ่งไม่มากหลอกใจค่อยๆตื่นแล้วละ่ะไปฝึกต่อหลพ่อจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่มีไปทําต่อนะทําเป็นแะรู้หลักแล้วไปทําเอา นจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติเห็นไหมรู้ไปเห็นไหมปิติลดลงละเนี่ยดูอย่างเนี้ยทุกอย่างมันชั่วคราวหมดเลยมีปิติมีความสุขมีความทุกข์มีโรคมีโกรธมีหลงก็ชั่วคราวหมดอะดูไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ดูแล้วถลําลงไปนะจิตใจมันถลําลงไปนะใจถอยขึ้นมาเป็นคนดูอย่าให้ตกเวทีไปอย่าให้ตกอัธจันทระค่ะรัชการค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่กับพุโทโธอะค่ะแล้วก็เห็นเขาจิตเขาวิ่งไปคิดตลอดเวลาอาะะดีแต่ก็มีมีอยากที่จะให้เขาตั้งมั่นอะคะอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งมั่นนะคะก็ให้รู้ว่ามันอยากค่ะมันอยากได้เองรู้สึกไหมมันอยากได้เองเห็นใจจนเห็นเลยมันทำงานที่มันได้ไม่ใช่เราหรอกแล้วก็เห็นพอพอพอพอนั่งสมาธิไงะคะ่ะบางช่วงที่เพ่งก็จะ ก็จะอยู่ค่ะก็จะรู้อย่างนี้ค่ะอ<ช>ยากให้หลวงพอ่ออยากเพืให้รู้ว่าอยากนะให้ให้หลวงพ่อช่วยทก <c oughs> อย่าไปกดไว้นะ <c oughs> ปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติพุทโธไปด้วยความร่าเริงใจไม่ใช่พุทโธแล้วน้อมใจให้ซึมยังมีอยู่พุทโธแล้วน้อมใจให้ซึมนะอย่าไปน้อมพุทโธเป็นแค่เครื่องอาศัยเครื่องอยู่ <c oughs> เครื่องสังเกต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 อะไรที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนั้นเราพุทโธไปแล้วก็รู้ทันจิตไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตอย่าพุทโธแล้วก็น้อมจิตให้ซึมนะระวังตัวนี้อะต่อไปนมัสการหลวงพ่อค่ะก็อยากจะขอคำแนะนำเรารู้ไหมว่าอยากอราลไงขอคําแนะนำนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่ทําอยู่ก็ดีแล้วล่ะนะค่อยๆดูไป สังเกตไหมใจเราตื่นขึ้นมาใจเราค่อยโล่งโปร่งนะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวดูไปอยนะ่างนั้นแหละแล้วที่ที่ทําอยู่ทำอยู่ก็ดีแล้ะถูกละควรคว ร, ควรจะมีวินัยมากกว่านี้หรือเปล่าคะวินัยเนี่ยสําคัญที่สุดเลยนะมีวินัยในการปฏิบัติทุกวันต้องทําไม่ใช่นานๆมาทําทีหนึ่งไม่มีทางะไม่มีทางบรรลุมรรคผลขอบพระคุณครับพวกเราเห็นหลวงพ่อแหม่มอย่างนี้ไม่ต้องเอายามาถวายนะ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 รู้สึกไหมมันโปร่งออกไปโล่งๆอยู่ข้างนอกใจไปอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันไม่ย้อนมารู้กายรู้ใจก็เลยไม่เห็นอะไระมันโล่งๆสบายๆไปเฉยๆให้กลับมาดูกายให้มากขึ้นเขย่าตัวเองไปเรียกปลุกตัวเองปลุกให้มันตื่นนะคอรู้สึกกลับมาที่กายไหมใจมันหนีไปอยู่ในความโล่งกว่างว่างหลวงพ่อก็เคยเป็นแล้วนายเองแล้วรู้สึกมันมีความทุกข์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 ตรที่เรามาบรรลุมรรคผลนิพพานได้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับความเจริญมีได้ก็เสื่อมไดนะ้ถ้าเราพอนานแล้วเราก็เข้าใจความจริงจิตเจริญได้ก็เสื่อมได้นะจิตเป็นกลางเห็นหั้ยเจริญเกิดแล้วก็ดับเสื่อมเองเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเท่ากันนะใจเราต่างหากไม่เท่ายังติดประคองอยู่หรือเปล่าใช่ใชประคองมีประคองนิดหน่อยมีโมหานิดๆดูออกไหม โมหะใจมันฟุง้งซ่านแล้วก็มัวนะยังหนูบางทีฟุ้งซ่านแล้วอยากจะพักผ่อนจะทําสมาถะได้ไหมเจ้าคะได้ทำสมาธิหายดีเจ้าค่ะหายใจแต่ว่าหายใจแบบรู้สึกตัวเจ้าค่ะล็ดลับของการทําสมถะนะรเริ่มต้นเลยเนี่ยทําใจให้สบายก่อนทําใจให้ผ่อนคลายให้รีแล็กซ์ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็หายใจไปด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายค่ะไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความเครียด อย่างเงี้ยไม่ผ่อนคลายนะไม่สงบเจ้ค่ะอ้าวต่อไปเบอร์เก้าสิบนัมสักย้อนนะเอาแบบย่อๆย่อค่ะเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าติดว่างแล้วก็ติดสุกนะคะออไม่ว่างละไม่ว่างแล้วนะคะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้โยมยังติดอะไรที่ต้องระวังอีกไหมคะดีประคองจิตไปนิดนึงตอนเนี้ยนะค่ะแล้วมันดีขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมจิตเราฟุ้งซ่านแล้ว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 ไม่กี่ประโยชน์หรอกคนหนึ่งคนหนึ่งโดนมากชอบเล่าพงสวัดานเอาว่าไปตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะไม่ได้งกันบ้าจิตไม่ทั้งมั่นยังไม่เป็นกลางด้วยะค่ะได้เป็นอะไรให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเอมีทําในรูปแบบมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าทําอยู่ถูกดีนะทําในรูปแบบแล้วจิตมีแรงรู้สึกไหมจิตมีกําลังมากขึ้นอย่าทิ้งการทําในรูปแบบนะได้ประโยชน์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 ตรงนี้ไปอยู่แล้วจะโล่งว่างไปแล้วก็สบายเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เห็นกายเป็นทุกข์ไม่เห็นจิตเป็นทุกข์นั้นจะมาอยู่ตรงนี้กลับมารู้ที่ร่างกายเคลื่อนไหวเห็นไหมมันไปยักหน้ากระดุ๊บกระดุ๊บกระดุ๊บเนี่ยนะเห็นมันเคลื่อนเออจิตต้องใจจิตใจต้องอย่างนี้นะค่อยๆรู้ไปเบอยี่สิบสองอ้าวเชิญเออตอนนี้ตื่นเต้นอืมธรรมดา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 กับเจ้าสักการหลวงพ่อครับอ<ม>ก็เมื่อเช้าก็โมัว ม, ว ม, วมวครับตอนนี้ก็ยังซึมซึมอยู่ครับดีกว่าเมื่อเช้าแล้วนะจิตเริ่มสว่างขึ้นแล้วครับช่วงนี้จิตใจจิตใจมันมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแล้วล่ะะที่หลวงพ่อทั้งเมื่อครั้งก่อนว่าดูยังไม่ถึงฐานนะฮะ<อ>ก็รู้สึกว่ามันห่างจากจากตัวรู้จากาสิ่งที่รู้มากขึ้น น, ออนะฮะแต่ก็ยังรู้ว่ามันยังไม่ถึงฐานนะฮนะใช้ได้แล้วล่ะนะขาดนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรดีกว่าคราวก่อนนั่งเยอะหนย รู้สึกไหมไม่เหมือนกันครับแต่โมหะยังเยอะอยู่ครับมให้รู้อย่างที่เขาเป็นอย่าไปเกลียดเขานะมีโมหะรู้ว่ามีโมหะไม่ว่ามนหรอกเอาเบอร์สามสิบเก้าครับนมรักกาหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีมาประมาณหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ทดลองปฏิบัติดูค่ะไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่เป็นยังไงบ้างคะแล้ว ร, รู้สึกไงบ้างล่ะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะอืมตื่นเต้ น, ตนเวลามโมโหรู้ไหม ก็รู้คะ่ะแต่บางที<อ>รู้แล้วก็ยังไม่หายคะ่ะไม่ได้ฝึกให้หายนะฝึกให้เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้จิตจะโมโหโก็โมโหของมันเองนะจิตจะไม่โมโหจะเลิกโมโหโมันก็เลิกของมันเองเราไม่ได้ฝึกบังคับหรอกเราฝึก<ด>ให้ดูของจริงลงไปนะคนเราเนี่ยชอบไปบังคับคนอื่นด้วยนะแต่ถ้าเรามาดูจิตดูใจเราเห็นเลยจิตเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราก็จะลดการไปบังคับคนอื่นลงด้วยนะอย่าไปบังคับคนอื่นเยอะนะ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 นะ ค, คือเราก็ดูได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หายไปไม่หายมันเป็นตัวพิบากรพิบักเป็นผลนะอย่างเช่นว่เราเดินไปเอาหัวโขวกฝาโป้งเขาให้นะไม่ทันดูชนฝาหัวโนอยเงี้ยเราไปรู้ว่าหัวโนนียยย่ยังไม่หายอยังไม่หายโนอ่ะเห็นไหมต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งจิตเหมือนกันเวลามันแน่นๆขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการที่เราไปบังคับจิตไว้เราต้องรับเคราะกรรมันนี้ไปก่อนยังไม่หาย ของคุณรู้สึกที่กายไปช่วยไหนนะเอากายไาช่วยนิดหนึง่งดูแต่จิตอันเดียวเนี่ยจิตมันหนีไป น, นานแล้วเดินจงกรมนี่อย่างที่ผมทำอยู่ปกตินี่ถูกช่วยมาเดินม า, า, าออกมาเ อ, อมาออมาเดินโชว์เนี่ยรู้สึกรู้สึกอยู่ที่กายเห็นร่างกายมันเดินนะเนี่ยใจหนีไปคิดให้รู้ทันเดินจงกรมก็คือเดินรู้ทันตัวเองนั่นแหละอา้าวเดินเลย เนี่ยเริ่มสังเกตไหมหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตอนที่เดินมาเนี่ยเดินมาสบายๆพอมาถึงต้นทางยงกลมเนี่ยกดจิตปุ๊บลงไปเลยนะสัมรวมผิดปกติแล้วอย่างนี้ไม่เอาเอาอย่างยิ้มยิ้มตะเกียร์ <c oughs> เอเนี่ยแล้วเดินรู้สึกตัวไปะเดินไปแล้วเห็นร่างกายมันเดิ น, นเออใช้ได้อืมดีให้เป็นธรรมชาติหน่อยนะ เดินไปนสบายๆเ <N ame> นี่ยพวกเราดูไว้นะเวลาเดินจงกรมเนี่ยพอจะเดินไปสุดทางจงกรมนะอย่าเพิ่งหันกลับมาให้รู้สึกตัวก่อนถ้าเดินไปสุดทางแล้วหันปุ๊บนี่นะจิตจะกระเด็นตกทางจงกรมทุกหลายเลยพอหัน <N ame> กลับมาแล้วนะก็อย่าเพิ่ง เ, เดินนะรู้สึกตัวให้สบา ย, บายก่อ น, <N ame> อน <istance> แล้วค่อยเดินถ้าไม่รู้สึกตัวให้สบายสบายก่อนนะจิตมันจะเดินก่อนขานมันจะมีความโลภนําจิตมันจะไปก่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมจิตเดินก่อนขาเมื่อกี้นี้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 เดินแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินรู้กายเดินรู้ใจอาเชิญกลับไปได้ตรงเนี้ยดีกว่าตะกี้เยอะเลยนะนึกออกไหมจิตต้องอย่างนี้นะจิตตอนเดินโช์นี่ไม่ได้มันผิดธรรมชาติต่อไปเบอร์ร้อยหกสิบสองอยู่ข้างหลังไปส่งไมยไปด้านหลังร้อยหกสิบสองกานรมาสการค่ะเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกค่ะอ่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 าาก็อกูศนทั้งหลายกิเลสทั้งหลา ย, เ ก, ลายเกิดที่จิตกูศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตดังนั้นถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ไหวมาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ไหวดูกายก็ไม่รู้เรื่องก็ทําความสงบเข้ามาทําสมถะนะนี่นักปฏิบัติก็มีแนวรูปแนวรับอยู่อย่างเนี้ย<ะ>ของคุณก็รู้กายไปด้วยนะมันถนัดกายแต่เวลารู้กายมันจะเพ่งกายอย่าไปเพ่งนะคะไหนลองรู้กายโชวสิรู้สึกไหมจิตฟุ้งซ่าน มันยังไม่ได้รู้กายจริงมันฟุง้งซ่าน่ะเนี่ยคอยรู้สึกไปนะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ไหวมาดูกายเราไม่ได้พอวนาเอาความสุขนะไม่ใช่ a ออไปดูกายแล้วมีความสุขแล้วพอใจอยู่แค่นั้นแต่เราพอวนาเพื่อให้เห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์นะจะไม่ปล่อยวางทุกข์นั่นแหละเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเลยอัเบอร์แปดสิบสอง ไม่ทราบว่าผมติดนิ่งไปไปะครับหลวงพ่อครับฮะอะไรนะผมรู้สึกว่าผมติดนิ่งไปครับเคยกดไปไหน่อยนะกดไปนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่ทราบผมต้องใช้วิหารทําอะไรครับขอบคุณจริงๆมันต้องดูจิตนะแต่ตอนนี้มันกดอยู่<ช>ก็ดูกายด้วยกายครับ <ผม S 1> เวลาคนที่เพ่งๆอยู่ไปดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูมันกลายไปเพ่งจิตเฉยๆไปเลย <ผม S 1> แต่ปฏิบัติในรูปแบบมากไปไมัหรือเปล่าครับหลวงพ่อคุณภาวนานด้วยอะไร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 การที่เอไออะไรก็ทําในสิ่งที่ตรงข้ามแล้วก็มันก็คือการตามนั่นเองแต่ตามในทางลบเล็กตามในทางเล็กจีบแต่คือปล่อยให้มันคิดไปใช่ไหมคะใช่มันคิดแต่เรามีสติ ข, ของคุณจิตมันค่อนข้างฟุ้งซ่านนะโดยธรรมชาติเลยมันค่อนข้างฟุง้งซ่านงั้นคุณพยายามพุทโธไว้บ้างอะไรบ้างแล้วก็ใจทิ้งพุทโธไปก็รู้ทันใจทิ้งพุทโธไปแล้วก็รู้ทันนะเบอร์แปดสิบเก้า ก า, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับคือมาส่งกันบ้านครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้ให้ออกจากถ้าให้ได้ครับตอนนั้นตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้ น, น ค, รครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจมันเริ่มผ่อนคลายขึ้น<อ>แล้วก็สรุปการปฏิบัติว่า<อ>รู้ลงปัจจุบันอคือบางครั้งเวลาจิตเรามันคิดชั่วคิดไม่ดีเนี่ย<อ>ตอนตอนทคิดอะผมจะไม่ค่อยรู้ว่าคิดแต่ปฏิกิริยาหลังจากเกิดการคิด คือกลัวขึ้นมากลัวชั่วครับก็รู้รว่าวกลัวทีนีออ้อยากจะถามหลวงพ่อว่าออตอนนี้เนี่ยคือต้องระวังอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากสิ่งที่ทําอยู่พาวนาไปนะแล้วก็อย่ารีบร้อนครับนะใจมันลุกริลุกรนมากไปรีบร้อ น, อนจะเอาผลเร็วๆว่ะเบอร์ยี่สิบการน์วัวสการหลวงพ่อครับส่งกันบ้านในรอบ8ปดเดือนครับ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 ครับแล้วจิตนี่มันมันมีที่ตั้งไหมครับไม่มีหรอกเราเองก็ใช้รู้สึกเอาใช่ไหมฮะเออรู้สึกอครับจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจไหมเกิดหลายที่ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองหลงหลงอาการของจิตหรือเปล่าครับเออใช่ครับแล้วขอการบ้านได้ไหมพ่อไปดูอีกสินะเอาคุณดูกายด้วยนะครับเบอร์ร้อยห้าสิบเก้าเมื่อกี้ยกมือเป่าไม่ได้ยกใช่ไหม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 มันเป็นยังไงให้รู้ไปนะมันสะเทือนก็รู้ว่าสะเทือนนี่าไยุ่งกับมันไม่ห้ามค่ะรู้อย่างที่เขาเป็นเห็นอย่างใจเราขี้มโมโหดวอยังดูอ อ, อ, อ, อค่ะนะดูมันมโมโหไปสะดุ้งสะเทือนอย่างมโมโหเลยนะให้รู้ทันเอาไปทําอีกเบอร์แปดพการมเยอะค่ะไม่ทราบโยมทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้มันง่วงมากอ่ะนั่งก็มัน ขนาดรู้วง่งวงเนี่ยรู้ตัวว่าง่วงตัวไม่ไ ม, <ง>ไม่ผิดนะนหลวงพ่อเขาง่วงมัน <laughs> <laughs> มันขาดช่วงๆไปเลยเจ้าค่ะตอนเนี้ยมันอาการมันชื้นจัดมันมีไวรัสในอากาศเยอะคนง่วงๆซึมๆแต็ไมไปหมดเลยเป็นทางกายจิตไม่ได้มีปัญหาแล้วมีเมื่อเมื่อประมาณสิบวันกว่าๆเนี่ยเจค่ะก็โยนโยมไปโดนเขากระทบเหมือนก็นถูกเขาพูดไม่ดีเอามากๆนะ่ะ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 จิตมันสบายมีความสุขจิตมันอ่อนโยนเห็นไหมในจิ ต, จตที่เป็นกุศลมันเป็นอย่างนั้นถ้าข่มไว้จิตจะแน่นแนนค่อะอ้าวร้อยสี่สิบแปดเมื่อเช้ามีโมหะเยอะอ่ะค่ะแล้วใจไม่ตั้งมั่นแล้วรู้สึกไปกดนิดนิดนะคะอตอนนี้มันก็เลยเกินจริงไปอแล้วก็หนูอยากจะทราบคือส่งกันบ้างนสุดท้ายหลวงพ่อเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมาก็เลยอยากจะทราบว่าที่ทํามานี่ยังอยู่ในรอยหรือเปล่าคะพานาดีขึ้นนะ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 ก็เก <S the stream> right. so so ิดวิบากคือความทุกข์ใจหนักๆขึ้นมาเนี่ยวัฏตะแหละถ้าเรารู้ทันตั้งแต่มีกิเลสนะอก็ไม่มีการกระทําขึ้นมาใจก็ไม่หนักอ๋อค่ะอันเ้ากรณีที่หนูคิดถึงคุณพระรัตนตายเราก็ร้องไห้เราก็แบบเหมือนจิตมันบีบพันธุ์ก็คือเป็นกรณีเดียวกับที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้หรือเปล่าคะใช่แต่ว่ากุศลก็บีบพันได้นะอะไรนะคะกุศลน่ะเราคิดถึงพระรัตนตรัยนะ เกิปีติขึ้นมาอย่างนี้นแล้วความปีติก็มาบีบคั้นจิตได้<ต>มันครอบงํามั น, มนบีบคั้นแบบทุกข์ในจิตนะคะเห็นแบบมันรู้สึกมันทุกข์กทรมาแล้วก็มันเป็นอย่างนี้เรื่อยๆจนเราบรรู้สึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวไหะทนะางานบ้านทํากวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นร่างกายเนี่ยทํางานไปเรื่อยๆส่วนความรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตเราค่อยรู้เอาของคนจิตใจมันจะ ละเอียดอ่อนเซนซิทีฟนิดนึง<ช>อารมณ์มันคร่ำงำง่ายอย่าไปกดไว้ค้อยแปดสิบสี่ะ <18 4 S 2> ้อยแปดสิบสี่อยู่ข้างหลังโอ้วันนี้วันปาฏิโมกเดี๋ยวเลิกแล้วต้องไปสวดปาฏิโมกกลับแล้วมสสรดกหลงพ่อค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงมากอย่าให้มันหยุด น, นะ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 ฟุงฟ้งอาหารของพ่อมันฟุงฟ้งฟุงกระวนกระวายอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานช่วงนี้งานมันจะเร่งบอกว่าที่บริษัทเขาก็าลดคนงานมันเ ย, เยอะขึ้นอะไรหรือเปล่าดีนะบริษัทมีคนงานเยอะขึ้นบริษัทคนงานน้อยลงเรื่อยๆนะ่ะไม่ดีอ่ะอ๋องานเลยเยอะขึ้นค่ะแต่ว่า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 เนี่หลวงพ่อก็มีอยู่คนหนึ่งครูบาอาครูบาอาสมัยยังไม่บวชนะบ้านอยู่เมืองชนปลูกต้นไม้ไว้เต็มบ้านเลยเวลาไปเรียนหนังสือในที่บ้านเขาก็าตัดต้นไม้เพราะว่าจะมาทําบ้านเขากลายเป็นป่ารกๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะกุฏิครูบาอาเนี่ยหาไม่ทางเข้าไม่ได้ <c oughs> เวลาจะเข้าต้องมุดมุดหวัว <c oughs> เนี่ยเขาชอบปลูกต้นไมนะ้ดูแลต้นไม้แล้วมีความสุขมีความสุขนะ เขาดูใจที่มีความสุขเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวฝึกอยู่อย่างนี้แหละเบอร์ร้อยเก้าหลวงพ่อบางทีจะเข้าไปกุฏิหูบาอายังจะเข้าช่องไหนดีวะพวกช่างเขาจะเข้าไปซ่อมอะไรแถวกุฏินะเขาบอกเ้าหาทางเข้าไม่ได้นี่แกเลี้ยงไก่ป่าไว้เยอะแยะเลยตอนนี้กลาบนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูอยากขอกันบ้านนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยขอกันบ้านนะคะ นั่นแหละแต่ดูใจนะโมโหแล้ว ร, รู้โมโหแล้ว ร, รู้รู้บ่อยๆคือคือโมโหแล้ว ร, รู้หนูว่ามันก็รู้ดีขึ้นอย่างล่าสุดหนูเผลอไปแบบเหมือนพูดว่าเขาแต่จริงๆใจหนูมันไม่ได้มันเฉยๆเราฝึกมามากขึ้นมากขึ้นนะต่อไปปากมันว่านะใจเฉยๆก็ได้มันว่าเป็นกริยาไปอย่างนั้นเละ <c oughs> <c oughs> ใจไม่อินแต่แต่แต่แต่มันก็มันนิดๆหน่อยๆมันก็แบบ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 อย่างนี้จะช่วยตัวเองตอนจะตายได้ไหมได้ฝึกไปเถอะเวลาเราจะตายมันจะเกิดนิมิตสมมติเ้าเกิดนิมิตไม่ดีปุ๊บจิตบันไห้ขึ้นมานะสติมันระลึกเลยเกิดเห็นกระทะทองแดงเนี่ยสมมตินะเห็นกระทะทองแดงไม่กลัวบางคนกลัวบางคนโอ้ทองแดงแพงอยากได้นี่เกิดความโลภจิตมีสติรู้ว่าโลภเห็นไหม ความโลภขาดเลกระทะทองแดงหายเล ย, ยะนะออี่จะมีข้อบอกพร่องอะไรเพราะท่านอาจารย์ช<ด>่วยเตือนไหมดีมากเลยนะโยมภาวนาได้ดีมากเช่ห ล, ลูกสาวก็ขยันนะเอแม่ภาวนาได้เนียนกว่าเยอะเลยแม่นแม่ภาวนานเป็นธรรมชาติเลยห้องหนูยังคล่าครวญรู้สึกไหมเริ่มแล้วโอ้หนูไม่เป็นธรรมชาติให้รู้ทันนะดีทั้งบ้านเลย